พระธรรมเทศนาแผ่นที่775ลำดับที่2โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสกุลวัดป่านาคำร้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่20กันยายน2558มีชื่อเรื่องว่าติดคุกเพราะขาดสิน วันนี้เป็นวันพระวันที่20กันยายนพุทธศักราช2558วันนี้เป็นวันรักษาศีลของพวกเรานะเป็นเป็นวันขึ้นขึ้น8ดค่ำเดือน10บแล้วก็วันพระหน้าเนี่ยเป็นวันเดือน10เพนนะคณนะสทายาิโยมลูกหลาน เป็นวันทำบุญอุทิศสวนกุศลอีกวันหนึ่งในพรรษาเพราะคนโบราณเขาคงจะคิดว่าในเทศกาลเข้าพรรษาฝนตกโดยตลอดพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมสมัยก่อนเขาคงจะไม่มีรถไม่มีถนนเข้าอยู่ในชุมชนในหมู่บ้านของเขาเขาก็เลยจัดกิจกรรมทำบุญ พระพระกระอยูประจำหมู่บ้านของเขาเขาก็เลยทำบุญทั้งเก้าดับที่ผ่านมาเน่เดือนเก้าดับแปลว่าแล้วก็เดือนสิบเพนเดือนสิบเพนคือวันพระข่าวหน้านครั้งหน้า เ, เป็นวันจบสองเดือนพอดีนะลูกหลานนะเข้าพรรษามาสองเดือนพอดีถ้าวันพระหน้า เ, เดือนสิบเพน เพราะเดือนสิบเอ็ดเพนอีกเดือนหนึ่งต่อไปนะันก็เป็นวันออกพรรษาและกกรถินของพวกเราก็เป็นวันที่แปดพฤศจิกาปีนี้เนะเป็นวันที่แปดเป็นกรถินสามัคคีนะอตอนนี้ไปก็นำไหว้พระสมท า, านศีลอย่างพวกเราเคยทำทุกครั้งที่ผ่านมาเอาหันหน้าไปทางพระประธานนะลูกหลานนะ ครับอิบมินานส ก, กาลเลนานวันนี้เป็นวันพระของพวกเราเป็นวันสมาทานศีลขอให้พวกเราทบทวนเรื่องของศีลอย่าได้ขาดตกบกพร่องในพรรษาที่เราพวกเราได้ตั้งสัจจะอธิษ ฐ, ฐานไว้แล้ว เว้นเสียแต่ว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยอันนั้นก็เป็นกรณีพิเศษว่ามันป่วยมาไม่ได้หรือว่าไม่สามารถที่จะรักษาศีลได้แต่เราก็ยังเคารพในสัจจะของเราที่ท่านที่เราได้ตั้งใจเอาไว้เพราะฉะนั้น ข, ขอให้พวกเราคณะทาญาิโยมนะอย่างหลวงพ่อได้พูดได้กล่าวพรนศาหนึ่งสเดือนก็รักษาคุณงามความดี ประกอบคุณงามความดีเพียงสิบสองวันไม่ได้หรออาจเดือนหนึ่งก็มีสี่วั น, นเขาทำศาสนาอื่นเขาทำวันละห้าครั้งก็ยังมีแล้วเกิดศาสนาอื่นเขาทำทุกวันอาทิตย์ก็มีแต่พวกเราก็ทำวันพระหนึ่งแปดค่ำสิบห้าค่ำ เดือนหนึ่งก็มีเพียงสี่ครั้งถ้าว่าพวกเรายังปฏิบัติตนไม่ได้กเ็เราเป็นพุทธศาสนิกชน ม, มีแต่พุทธศาสนิกชนแต่ชื่อทานเองในความประพฤติปฏิบัติหรือว่าความปฏิบัติตนกายกรรมวจีกรรมของเราไม่มีไม่น่าจะถูกต้องนะังนั้นขอให้พวกเราทบทวน ตรวจตราดูพวกเราทุกๆท่านด้วยทําเพื่อใครนะไม่ได้ทําเพื่อศาสนานะะทําเพื่อพวกเราที่เราเคารพนับถือเรื่มสายแล้วยึดพระไตราสรารณคมเป็นสถานะเป็นที่พึ่งแล้วรนะัวเราควรปฏิบัติตนอย่างไรนะเราก็ตรวจตราดูพวกเราทุกๆท่านเองนะไม่มีการบังคับอะไรทั้งหมดแต่ควรจะนะควรจะ เมื่อเราได้ตรวจตาดูแล้วพวกเราควรจะไม่ควรจะปล่อยใจจนเกินไปไม่ควรจะชะล่าใจจนเกินไปไม่ควรจะอยู่ด้วยความประมาทจนเกินไปควรจะประกอบคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจเพื่ออนาคตนะรับสินนะนจนีนะ่สมาทานสินนะโมตัสสะปะกวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สิเลนะเนปูติงยันติตัดสมาสีหลังวิโสธาเยสุวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ยี่สิบกันยายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดเมื่อวานหลวงพ่อออกจากวัด ประมาณสักตีห้าออกแต่เช้าอยู่นั้นลูกหลานไปอุดรไปถึงที่นน่นเกือบเจ็ดโมงไปงานหาทุนให้คือคณะกรรมการทางพ่อค้าประชาชนร่วมกับอธิการบดีคณะครูบาอาจารย์รวมกันหาทุนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชพัฒจังหวัดอุดรก็มีนักเรียนเกือบเป็นหมื่นผู้ที่ยากจนพวกชาวบ้านแต่อยากจะเรียนหนังสือก็คงจะมีอยู่ทางมหาวิทยาลัยทางพ่อค้าชาวอุดรเขาก็เลยจัดเป็นผ้าป่าขึ้นมาก็นิมนต์หลวงพ่อไปหลวงพ่อก็ไม่เคยเข้าไปแล้วก็นิมนต์ ครั้งสองครั้งเขาคราวก่อนหลวงพ่อก็ติดภาระมันชนกันกับงานกิจธุรนิมนต์หลวงพ่อก็ไม่ได้เข้าไปให้แต่พวกพระน้องน้องๆหลวงพ่อแต่คราวนี้เขานิมนต์วัดของเราทั้ง9้าองค์เราก็ได้ไปเมื่อวานหลวงพ่อก็ได้ไปเมื่อวานพอไปแล้วก็คิดว่าคนจะน้อย นั่งรถก๊อบไปไปสุดทางอีกเส้นหนึ่งโอ้โหนักศึกษาอยู่สองฝากฝั่งคงไม่รู้กี่ร้อยกี่พันหลวงพ่อโอททานปินทบาทรับทุกคนไปถึงสุดข้างหนึ่งแล้วโค้งมาอีกข้างหนึ่งหลวงพ่อคงเป็นลมแน่ๆค <c oughs> งไม่ได้ชันอาหารแน่ๆละวันนี่มเพอมันคนเยอะจริงจริง นักศึกษาเท่าไหร่เป็นหมื่นนี่เกือบเป็นหมื่นฟังฟังพูดนะหลวงพ่อก็ได้แบ่งพระเป็นสองสายในเดียวนั้น เ, เอ้ยเป็นสองสายาพระเก้าองค์สายหนึ่งสี่องค์สายหนึ่งห้าองค์พราหลวงพ่อหลวงพ่อก็เลือกเอาสายที่หลวงพ่อถนัดใช่ไหมาบาทพระมาอยู่ทางขวาใช่ไหม อ, อยู่ทางขวาหลวงพ่อกับปิณฑบาตรทางขวานะ่ย แทงกูบาสีองค์กับบินทบาททางซ้ายเนะ่เดินขยับขยับไปเรื่อยนะแต่ของหลวงพ่อเนี่ยเดินเดินตามแนวแถวสะดวกแต่ขนาดนั้นก็เถอะโอ้โหกว่าจะเสร็จได้อาหารที่ใส่บาตรมันบัลลนเถินเถกเลยหลายรถปิกอัพพวกนั้นอาหารเสร็จเมื่อวานเนี่ยจากนั้นก็ขึ้นมาจเจริญพระพุทธมนต เสร็จแล้วก็ฉันพัฒหานก็ฉันเสร็จแล้วก็เขากนนี้มลหลวงพ่อเป็นองค์แสดงธรรมป่ารบเรื่องงานทอดผ้าป่าสามัคคีหลวงพ่อก็ได้พูดเกี่ยวกับวิชาในโลกนี้ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีจบไม่มีจบแต่วิชาของพระพุทธศาสน า, เ, าเป็นเรียนและจบ เ, เรียนแล้วจบ วิชาทางโลกเรียนแล้วไม่จบหลวงพ่อก็เลยเปรียบเทียบให้ฟังว่าวิชาทางโลกเนีย่ยเหมือนเราส่องไฟฉายเราเปิดไฟฉายกลางคืนเราเปิดชวิตไฟฉายแล้วไฟฉายก็ส่องไปข้างหน้าเดี๋ยวพอเห็น เ, เห็นช้างก็เรียน เ, เรื่องของช้างเห็นม้าก็เรียนเรื่องของม้าเห็นนกก็เรียนเรื่องของนกเห็นต้นไม้ก็เรียนต้นไม้ภูผาต้นยาคู่คน เลี่ยนไปเลยไม่มีที่จบเพราะ เ, าเรียนตามกระแสที่ไฟฉายไปเห็นแต่หลักของพระพุทธศาสนาเนี่ย เ, เรียนเข้ามาหาข้างในที่เราส่องไฟฉายไปนั้นอะ่ะเราไปเห็นแต่ไฟฉายมันออกมาจากไหนแสงสว่างออกมาจากไหนออกมาออกมาจากหัวเทียนไฟฉาย ในเมื่อออกมาจากหัวเทียนไฟฉายเราจะดับยังไงกับหัวเทียนไฟฉายเนะี่ยพอดับเท่านั้นแหละเรื่องทั้งหลายทั้งปวงจบหมดเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านตรัสไว้ว่ามีที่สิ้นสุดจบลงที่ใจที่เราเรียนนะ่ยคือเรียนเรื่อ ง, องตกคบเงาขอ ง, ส, งสัญญากับสังขารปรุงแต่งไปเรื่อย คนก่อนปรุงแต่งไ ด, ด้ขนาดหนึ่งเรามาปรุงแต่งต่ออีกปนกันไปวนกันมาพอุนกลับมาหาที่เก่าอีกแล้วก็วนไปอีกเ อ, อ้นี่แหละวิ ช, ชาในโลกมันเป็นอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุด เ, เหมือนกับเราเมดไตไตขอบขอบโองงนะ่งขอบกระมังอย่างนั้นนะ่ะมดไตขอบกระมังตัวเองว่าตัวเองไปไกลจนพอแรง พลในสุดกว็วกปนเวียนมหาที่เก่านี่นะวิชาทางโลกเป็นลักษณะอย่างนั้นหลวงพ่อพูดเมื่อวานแล้วก็หลวงพ่อพูดไม่ไม้เรียวสอนคนให้เป็นคนดีฮหลวงพ่อเล่าชาดกนิทานให้ฟังนักศึกษาใครดื้อนักเรียนใครดื้อด้านไม่ยอมฟังทิศปาโมกสมัยก่อนเขาเอาไม้เรียวชัดหลังเลยนะเอะเขียนเลยฮ ออไม่ได้ลูกไม่ได้เลือกว่าลูก เ, ออเจ้าฟ้ามหากษศัตร์ไม่รู้ว่าลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีที่ไหนถ้าใครทำผิดก็คือเพชร อ, อ, อ, อ, อาจารย์ที่ิศประโมกอาจารย์แส้หวดหลังเลยหลวงพ่อพูดเมื่อวานนี่จากนั้นก็ได้ทอดผ้าป่าหลวงพ่อที่แรกหลวงพ่อเนี่ยคุณปอนั่งอยู่ที่นี่นะเ อ, อ้ยปอลงพ่อไม่มีตังค์นะเว้ย เอาสตังค์ไปให้หลวงพ่อหน่อยนะปอไปไม่ไปครับหรอเอาไปเอาไปไปที่ไปเจอกันอยู่ที่งานแล้วก็หลวงพ่อข อ, ขอยืมสักแสนหนึ่งนะออปอขอไปนแสนหนึง่งพอไปเห็นนักศึกษาเป็นหมื่นเดินโอ้เงินแสนหนึ่งเอามาให้คนเป็นหมื่นมันคนจะได้ไกี่สตังค์วะวะเออ aaaa. เอามาเอกนะปอนะเอะอออีกสักแสนหนึ่งปอก็เลยไปหายืม เพื่อนๆอยู่แถวอุดรมั้งปอผมเอามาเผื่ออีกแสนหนึ่งนะหลวงพ่อเป็น3แสนเออเดี๋ยวดูก่อนพอมาทอดก็มาได้เง <sk> ินล้าน2แสนกว่าบาทนะ้านสอแสนกว่าบาทแต่ก็ยังไม่ได้นับพวกต้นผ้าป่าแต่ต้นผ้าป่าดูๆแล้วก็เป็นใบใบแดงคือใบร้อยกับใบ20ซสิมากกว่าเราคงจะไม่มากเท่าไหร่หลวงพ่อว่านะ นี่คือล้านสองแสนหลวงพอ่อเออหลวงพ่อทีแรกว่าจะให้มาหนึ่งแสนหลวงพ่อมอบให้ทั้งสามแสนเลยล่ะวะให้ลูกให้หลานเป็นคนดีนะ้าให้ตั้งอกตั้งใจเรียนหนังสือนะ้าหลวงพ่อกันเนี่ยนะมอบให้กันนะหลวงพ่อกันเล่านิทานให้ลูกหลานฟังอย่าทะเลทลายนะลูกหลานเป็นคนดีคนเป็นทรัพยากรของชาติเมื่อเรียนจบเข้ามาแล้วก็ใช้วิชา ความรู้ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองครันี่แหละเขาก็ฟังดีนะเมื่อวานนั่งเต็มห้องประชุมนี่แหละเมื่อวานหลวงพ่อก็ได้ไปงานนี่แหละแต่วันพุ่งนี้นะลูกหลานอีกไปอีกงานหนึงอีกท่านิอุดรพิษท่านิคงคงจะคล้ายๆนั่นแหละแต่ว่านิมนพระในวัดของเราสององค์แต่หลวงพ่อก็กบอกเหมือนกันโอ้หลวงพ่ออยู่ไกลร้อยกว่ากิโลนั่นนะ อพระในแถบเมืองๆแถบนั้นก็มีตั้งเยอะแยะครูบาอาจารย์น่าจะนิมนต์พระครูบาอาจารย์แถบนั้นอ่ไปทําพิธีซะ <c oughs> ก็น่าจะเรียบร้อยดีไม่น่าจะมารบกวนหลวงพ่อที่อยู่ในป่าดงพงไผ่ไกลขนาดนี้แต่เขาก็บอกว่าหลวงพ่อไปแล้วก็รู้สึกว่าคู่คนที่มาเกี่ยวข้องก็รู้สึกอบอุ่น หลวงพอ่ออืมเอาในเมื่อพอ่อพวกเราที่พอหลวงพอ่อพอจะไปได้อยู่ก็เอาไปต่อไปก็คงอีกไม่นานนักไม่กี่ปีข้างหน้าหลวงพ่อก็คงจะหยุดไปละถึงลูกหลานจะยุขนาดไหนหลวงพ่อก็ยุไม่ไม่ขึ้นละเพราะหลวงพ่อแกใช่ไมอมนี่แหะพอพ่อที่จะไปไหวอยู่ก็เอาไปเพื่ อ, อชุมชนสังคมประเทศชาติ ช่วยเหลือชาติชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ Lucas, แต่องค์หลวงตาในช่วงที่บ้านเมืองคับขันในะะช่วงนั้นหลวงตาก็อายุถึง80เกือบจะ90 <c oughs> อยู่แล้วน ะ, ะเกือบจะ90 ะ, ะหลวงตาออกเป็นเทศนนาว่าการโครงการผ้าป่าช่วยชาติข่าวนั้ น, นะะหลวงตายิ่งกว่าเราอีกตลอตลอนไปทั่วประเทศไปหลายจังหวัด พอขึ้นไปแล้วก็ตั้งที่จะหยุดขึ้นเวทีเลยหลงตาพอไปถึงเอยขึ้นเวทีแสดงธรรมเลยโอ้ไม่ใช่ธรรมดาหลงตาเป็นอัจฉริยะจริงๆที่ท่านช่วยประเทศชาติบ้านเมืองเพราะนั้นมาถึงของเราเนี่ยเราจะอ่อนแอปวกเปียกก็ยังไงยังไงอยู่เพราะนั้นขอพอที่จะช่วยได้คือเอ า, เอา พุทธศาสนาอยู่ได้ชาติอยู่ได้พี่น้องประชาชนอยู่ได้ศาสนาอยู่ได้พึ่งพาอาศัยกันปูทางไว้เพื่ออนาคตเพื่อลูกเพื่อหลานต่อไปภายภาคหน้า <c oughs> นี่แหละอันนี้ก็คือเราต้องมองไกลผู้สรุปแล้วคือให้มองไกลไม่ได้มองใกล้องหลงตาท่านก็มองไกลที่ท่านมองไปนั้น่ะก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ กระทั่งทุกวันนี้นะแต่ทิ้งยังไงก็ตามพี่น้องประชาชนททายาตโยมลูกหลานทุกคนวันนี้เป็นวันพระก็ให้พวกเราอย่าได้นอนใจชราใจจนเกินไปวันพระหนึ่งเขาควรจะถึงจะไม่ได้มาวัดกิดสมาทานศีลแต่ตามไม่จริงสมาธิสมาทานศีลในบ้านมันจะมีเครื่องเศร้าหมองได้ได้เร็วนะ ครๆเอาศีลพร้อมที่จ ะ, ะขาดพร้อมที่จะทะลุพร้อมที่จะด่างพร้อยพร้อมที่จะด่างจะพร้อยได้เร็วถ้ามาสมาทานศีลในวัดเนี่ยก็เป็นจิตจะลักษณะคือว่าเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาในระดับหนึ่งเพราะได้รับศีลครูกับพร้อมกับครูวาจารหมู่พกเพื่อนในเมื่อเรารักษาศีลแล้วก็ตั้งอกตั้งใจสมาทานแล้วก็รักษาแต่สมาทานมันง่ายนะ แอนสมาทานมันง่ายเหมือนกับเราปลูกต้นไม้เนะี่ยพอไปปลูกขุดหลุมขุดหลุมขุดหลุมเออแล้วก็ปลูกต้นไม้ลงไปเออมันง่ายแต่รักษาเนี่ยยากกว่า น, ะนั่นไงเออพอปลูกเสร็จต้องรักษาฟัดฉพืชต้องใส่ปุ๋ยต้องไม่ให้อะไรคุมต้นไม้รักษาเนี่ยมันยากแต่รับสินเนี่ง่ายอย่างพวกเราเรารับเมื่อกี้เนี่ยเออ ปานาอาทินนากาเมมุสากขว่ากันไปพอจบแล้วเนี่ยรักษาอะไรตัเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะรักษาข้าพเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์โดยเด็ดขาดจะเป็นมดเป็นยุงเป็นอะไรก็ตามข้าพเจ้าจะไม่ทําอาทินนาทานข้าพเจ้าจะไม่ขโมยสิ่งของคนคนอื่นเขาอข้าพเจ้าในจะเคารพในสิทธิสามีภรรยาของคนอื่นเขา ข้าพเจ้าจะไม่โกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาข้าพเจ้าจะไม่ดื่มสุราเมลัยยาเสพติดทั้งหลายทั้งปวงโดยเด็ดขาดเพราะดื่มเสพเข้าไปแล้วทําให้ตัวเองเสียคู่เสียคนขาดสติข้าพเจ้าจะไม่ทําข้าพเจ้าจะไม่ทานอาหารในเวลาวิการคือรักษาศีลแปดนะในเวลาวิการเราจะไม่ทานอาหาร เราจะดูสิว่าเมื่อเราไม่ทานอาหารใจของเรามันจะเพิ่มอย่างไรโมโหโกธาอย่างไรอันนี้ก็คือสินข้อที่ 6, ข้อที่7ข้าพไปเจ้าจะไม่ฟังเสียงร้องราทำเพลงเราไม่ทำเพลงเองไม่ร้องเพลงเองและก็ไม่ฟังเสียงวิทยุโทรทัศน์ร้องราทาเพลงข้าวไปเจ้าจะไม่ รูปไร้ของหอมตกแต่งร่างกายจนเกินไปอันนี้ก็คือสินข้อที่เจ็ดข้อที่8ปดข้าพเจ้าจะไม่นอนที่นอนใหญ่อันใหญ่ที่ยัดนุ่นแล่สำลีเป็นเครื่องทําให้เราลุ่มหลงในการหลับการนอนหาความสุขในการเป็นอยู่จนเกินไปนี่แหละอันนี้ก็คือสินข้อที่ข้อที่8ดพระพุทธเจ้า ท่านให้ดูสรุปแล้วก็คือให้ไม่ให้ติดในการเป็นอยู่ไม่ให้ติดในอาหารไม่ให้ติดในการไม่ได้ไม่ให้ติดในเสียงเพราะไม่ให้ติดในการรูปร้ายร่างกายที่มีกลิ่นหอมจนเกินไปแล้วก็ไม่นอนที่นอนอาหาความสุขเนียนนุ่มในการที่หลับที่นอนอจะเป็นนอนดีอะไร พอเราหมดลมหายใจเข้าออกแล้วเขายัดเข้าไปในหีบกว้างศอกเดียวนะกว้างศอกยาววานะเท่านั้นเองยัดเข้าไปแล้วปิดตีตะปูปิดอีกต่างหากค่ะ เ, เราไม่เห็นจะนอนดิบนอนดีอะไรในเมื่อเรายังมีชีวิตก็ฝึกฝึกหัดเอาไวเา้เพราะว่าอีกสักวันหนึ่งเราจะไป น, นอนอย่างนั้นอยู่แล้วต้องทําทําใจเอาไว้ เรามานอนกับ น, นอนที่แข็งแขงูเช๊เป็นยังไงนี่แหะพระพุทธศาสนาสอนสรุปแล้วคือสอนไม่ให้ลืมตัวให้ดูปัจจุบันดูอนาคตนี่แหละอันนี้ก็คือศีลของที่เรารักษาศีลมีคุณค่าอย่างไรพระพุทธองค์ที่หลวงพ่อได้ตรบเรื่องม้วนท้ายของศีลว่าศีเลนะสุขติงยันติผู้ที่จะไปสู่สุขติได้ เพราะสินเพราะคนเราถ้ามีศินแล้วนะในปัจจุบันนี้ก็มีความสุขเพราะเราไม่ไติดคุกติดตารางแต่ถ้าว่าพวกเราไม่มีศินพร้อมที่จะทําความชั่วในทุกอย่างจะฆ่าใครคิดจะฆ่าใครขโมยใครประพฤติระรอบระลาบระร่วงในสามีภรรยาลูกหลานคลองใครโกหกต่มตุนหลอกลวงใครเออมันทําได้ทั้งหมดเพราะคนไม่มีศินแต่เราสมาทานสินแล้วอย่างนี้นะ เราจะรักษาศีลเพอรักษาศีลนั่นนะคือสัมรวมกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีล เ, เราจะมีโทษได้ยังไงเพราะ เ, าเราไม่เด็กไปกระทำความชั่วเสียหายอันนี้แหละคือศีลศีเลนะสุ ข, ขติงยันติผู้จะไปสู่ความสุขความเจริญได้ด้วยศีลศีเลนะโพกสัมปทาผู้จะมีโพคะสมบัติ คนที่มีสินก็แสวงหาทรัพย์ไปในทางที่ถูกต้องในทางที่เป็นธรรมมันขยันอดทนแล้วก็แสวงหาทรัพย์ได้โดยบุญด้วยกุศลอีกต่างหากก็ทําให้จิตทำให้กิจการงานของเราไปได้ดีเพราะเป็นผู้มีสินอย่างที่อาเซียนอินโดนีเซียนะเขาเป็นอาเซียใหญ่หลวงพ่อว่าคุณบริหาร คุณบริหารบริษัทของคุณเป็นพันๆเป็นพันๆคนเป็นหมื่นๆคนน่ยคุณบริหารอย่างไงเขาบอกว่าผมมีศินห้าครับนะเขามีศินห้าคนที่มีศินห้าเนี่ยต้องมองคนอื่นเขามีน้ําใจกับคนอื่นเขาลูกน้องบริวารคนสมควรจะได้มากน้อยแค่ไหนเฉลือเผื่อแผ่กันเราได้อย่างไงลูกน้องได้อย่างไงคนที่มีศินมีธรรมในจิตในใจแล้ว มันร่มเย็นเป็นสุขไปหมดนะถ้าว่าคนที่แร้งน้ําใจคนที่ไม่มีน้ําใจคนไ ม, ไม่มีการเสียสละมีแต่อยากจะได้ส่วนเดียวกรอบโกยอย่างเดียวนะอยู่กับใครก็เดือดร้อนไปทั้งหมดนะนี่แหละอันนี้ก็คือผู้มีศีลศรีเลนะโพกสัมปทานถ้าเราดําเนินถูกต้องแล้วอยู่นักสถานที่ใดก็ร่มเย็นเป็นสุขมีความสุขอ่าเพราะเหตุนใดเพราะว่าศีลคุ้มของ สีเลนะนิพุติงยันติผู้จะไปสู่นิพพานตัดกิเลสราคะโทสะโมหะได้ก็ต้องเป็นผู้มีศีลเนี่แหละศีลเนี่ยไม่ใช่ของเล็กน้อยนะพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะถึงเราจะรักษาไม่ได้เราก็ควรจะเทิดทูนบูชาวไว้ในใจเออข้าพเจ้าจะมีภาระธุระอยู่แต่ข้าพเจ้ายินดีออบูชาในคุณงามความดี อันนี้แหะคือการลำเลิกไปอยู่ทํามีเมื่อเมื่อเมื่มมอไรมีโอกาสข้าพเจ้าจะรักษาศีลตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้แนะนําข้าพเจ้าเข้าไปเจ้ า, า, จาน้อมรับยอมรับว่าศีลของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าจริงถ้าประพฤติปฏิบัติแล้วจะเป็นคนดีส่วนเดียวให้พวกเราน้อมรับอย่างนั้น เพราะนั้นสินของพระพุทธเจ้าท่านมองดูแล้วไม่ใช่ขององ่ายๆเป็นมองเห็นได้เลยเนึกดูสิหลวงพ่อเลยไปพูดเมื่อวานอีกเหมือนกันพวกลูกหลานคณะสัตธาญาติโยมฟังหลวงพ่อเป็นหลายพันคนให้ลูกหลานคิดดูสิว่าที่เรือนจำ อ, อุดอรของเราเนี่ยแต่ละคนเอามาเรียงตัวดูสิว่า ทำทำผิดศีลข้อไหนจึงได้มาเข้าคุกเนี่ยเหลวงพ่อมั่นใจว่าเกือบเนี่ยแหละเกือบทกคนในเรือนจําเอาไม่ผิดศีลข้อใดก็สิทธิผิดศีลผิดศีลข้อหนึ่งผิดศีลทั้งนั้นแหละถ้าพวกเรารู้หรอกศีลมันผิดศีลมันเป็นโทษ เ, เราจะไปจะไปทําทําไมเราข้าศมาทานศีลตั้งตัวของเร า, าเป็นคนมีศีลซะ เกิดมาพบนี้ชาตินี้มันก็ไม่ถึงร้อยปีล่ะใครมาถึงร้อยปีก็ถึงร้อยปียากเพราะนั้นเราอายุเท่าไหร่ล่ะเราจะอยู่ไปอีกเท่าไหร่บั้นปลายชีวิตของพวกเราพวกเราควรจะประกอบคุณงามความดีสิ่งที่มันทำมาหาเลี้ยงชีพแล้วก็หามาแล้วล่ะแต่บทบัตรนี้โค้งนี้เพวกเราควรจะเตรียมพร้อม เดินประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราจะไม่ดีกว่าเหรือเพราะว่าในหลักธรรมคําสอนของพุท ธ, ธะที่หลวงพ่อย้ําแล้วบอกอีกเกือบไม่เว้นแต่ละวันหลวงพว่าตายแล้วไม่สูญฮะเมื่อวานหลวงพ่อก็พูดนะตายแล้วไม่สูญนะลูกหลานนะตายแล้วเกิดเมื่อตายแล้วเกิดพวกเราควรจะประกอบคุณงามความดีอย่างไรแต่ไม่ต้องประมาณการไม่ต้องคาดคะเนไม่ต้องเดา เอไม่ต้องเชื่อ <c oughs> ไม่ต้องเชื่อหลงเพราะอินแต่ให้ฟังเอาไว้ในฟังเอาไวลา้ลงมือปฏิบัติลงมือปฏิบัติตามที่แนวแถวของพระพุทธเจ้าสอนนั่งขัดสมาธิเหมือนพระประธานพอนั่งขัดสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามือขวาทับมือซ้ายอย่างอย่างพระประธานกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นแหละ อ, อย่าให้มันเผลอ บ, บังคับ อย่าให้มันคิดไปที่อื่นออขนาดนี้เราไม่ได้ให้คิดไปที่อื่นมันคิดมาจนพอแรงแล้วตั้งแต่เกิดมานะ เ, ออเราคิดไปที่ไหนจนนับคาณาหาประมาณไม่ได้แต่บัดนี้เราจะให้ยดยดเค็ดให้อยู่กับพุทธโธกับลมหายใจเข้าออกเท่านั้นบังคับออบังคับเข้าไปท่นี้นะแต่ที่ไม่หมายมันก่อนเทเลทไลเหมือนกับเราบังคับเด็กนักเรียนลูกของเราไปเรียนหนังสืออย่างนั้นะ เอ อ, เ อ, อ, เ อ, อมันก็ไม่อยากจะไปทั้งกระจองงองแง่ เ, เล่เหลี่ยมชั้นเชิงมากมายแต่เราเห็นคุณค่า เ, เราฟังในธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าหรท่านบอกว่าให้บังคับให้อยู่ในความสงบครูบาอาจารย์เขาบอกาบังคับให้อยู่ในความสงบเราก็ต้องบังคับตามแนวแถวที่เราได้ฟังมาบังคับให้อยู่ที่ปลายจมูกกาหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโท โถพดโทไม่ให้มันไปที่ไปที่อื่นบังคับอยู่ที่ปลายจมูกเออจากนั้นเราจะรู้ได้แหละจิตใจรวมนิง่งพอเราบังคับนานๆเข้าไปนะมันจะรวมนิง่งพอรวมนิ่งเข้าไปรู้ได้เลยเถอยเอยเอตัวที่มันไม่ไมตายเนี่ยคือใจตัวที่ตายเนี่ยคือร่างกายร่างกายของคนเราเนี่ยตายแน่ถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็เลี้ยงไปเถอะ เดี๋ยวก็เห็นแก่เจ็บตายในที่สุดแต่นามธรรมคือจิตใจนั้นไม่ตายสมกับทำคาสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียว่ามาโนปุพังเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจโอ้สมตามคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้บอกได้กล่าวไว้จริงท่านให้ความสำคัญเรื่องของใจคือนามธรรม มากกว่าเรื่องของร่างกายเออจริงไงนี่นแหละเราจะรู้ได้ด้วยตนเองนะพี่น้องประชาชนศรัทธา ญ, ญาติโยมนะเปี่ยงแต่ครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะเป็นผู้บอกให้ให้นเองเหมือนกับเขาแนะวิธีการทำนาวิธีการทำกรเกษตรวิธีการทำมาค้าขายอย่างนั้นเนาะนแนะวิธีให้แล้วขายแล้วทำบัญชียังไงใช้จ่ายยังไงอะไรเขาก็ทําทําให้แต่ตัวเองไปทา เมื่อลงไปลงไปทําแล้วไอ้คนที่แนะนํำของของก็ไม่ได้แสงแบ่งสรรปันส่วนอะไรนะครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อเนี่ยแนะนําลูกหลานให้ภาวนาด้วยทำอย่างนั้นอย่างนั้นนะพ่อทําไปแล้วหลวงพ่อก็ไม่ได้ไปแบ่งสรรปันส่วนกับพวกเราเป็นสมบัติของพวกเราเชื่อในใจของเราเออจริงที่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวท่านไม่ได้หลอกไม่ได้ลวง เป็นความจริงจริ ง, รงเมื่อจิตของเราเข้าสู่ความสงบแล้วใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าจริงๆเองมันสําเร็จแล้วด้วยใจจริงๆรงินี่แหละมันรู้ด้วยใจนะขณาจารย์ญาติโยมลูกหลานเนี่ยหลักของพุทธศาสนาที่หลวงพ่อได้พูดว่ามีที่สิ้นสุดจบลงที่ใจเท่าวิชาอย่างอื่นนะเรียนไม่จบนะเรียนคณิตศาสตร์กับยาวเหยียดแพทยศาสตร์ไม่รู้ ประเทศไหนจะเพศประเทศไหนเอ่อเพศสัตว์ก็เรียนไปเถอะเกษตรก็เรียนไปเถอะสัตวแพทย์ก็เรียนไปเถอะไม่มีที่สิ้นสุดถ้ามอมีมันมีที่สิ้นสุดเรียนเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจจบลงที่ใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรวยใจรู้ที่ใจรู้แจ้งที่จัใจปล่อยวางที่ใจหลุดพ้นที่ใจใจไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละ เรียนจบแล้วคือพระหันอ่าเนี่ยแหละเรียนใจเรียนจบนะตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรนาะทีห น, น้กุธิด ส, สวนกุศลพร้อมกันด้วยน